ขอใช้หมึกสีอะไรที่จะเห็นชัดหมึกสีแดงเนาะหมกสีแดง ด, ดกกกาาีก่าขึ้นูดก่าวหาอีกเอาหมึกสีน้ำเงินดีกว่ามันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เลยแล้ ว, ว่าอยากจะให้เห็นว่าเราสมมติว่าเป็นเบื้องต้นเนี่ยเป็นคำว่าจุตินะคือเกิดอ่ากอท่องการเกิดว่าไงเกิดเขียนดวใหญ่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 โดยที่มันมีอยู่แล้วในจักรวรรดนี้เมื่อก่อนว่าจักรวัลนี้เป็นของมืดใช่ไหมมืดแล้วต่อมามีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงตามกฎของอจักรวาลมันก็ก่อให้เกิดสิ่งที่ว่าการอันที่จังแปลปวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดการแปรปวนในท่ามกลางแล้วก็ดับไปแล้วก็วนมาใหม่เปลี่ยนแปลง แ, ลแปลปว น, นแตกดับปเปลี่ยนแปลงแปลปวนแตกดับ อันนี้เป็นกฎของวัตถุนะยังไม่เกิดเป็นนามธรรมก็จะเกิดตัวแ ป, ปรปลวนก็คืออะไรน ะ, ะทุกขงังอันนี้เปลี่ยนแปลงแ ป, ปรแปลวนแตกดับท่านใช้คาว่าอุบัติติพังคะาตามภาษาปรมัจ์ตามภาษาพิธรรมกขน ะ, ะทีนี้คำว่าเกิดเนี่ยท่านใช้คาว่าเออไม่ใช่ดิดับนเนดิคาว่าจุติ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 ก็มาเป็นธาตุตัวสุดท้ายคืออะไรนะคือธาตุรู้คือวิญญาณนี่เพราะฉะนั้นในในความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุเนี่ยนะเมื่อสองตัวเนี่ยมาสมดุลกันมาเป็นอากาศมาเป็นวิญญาณตัวรู้ก็ได้เกิดขึ้นนะตัวรู้ได้เกิดขึ้นเพราะนั้นตัวรู้ทีนี้ก็จะออกแบ่งออกมาเป็นตัวรับรู้ทางทั้ง6ใช่ไหม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 คนเสียงสัตว์เสียงดังเสียงคล้อยไม่ต้องไปแยกให้รู้ว่าเสียงเฉยๆแล้วเวลาอารมณ์มากระทบจิตก็ให้รู้ว่ามีการกระทบมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าดีไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะไปคิดตามอาการนั้นการที่โฟกัสไปให้มันอยู่จุดเดียวโดวยที่มันไม่แยกส่วนนั้นมันจะเหลือคําเดียวคือเรียกเขาว่าญาณ น, นะออกมาเป็นคําว่าญาณเราจึงมาทําตัวนี้มาทําตัวญาณคือตัวรู้นะฮะ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 คำสองคำนี้เหมือนกันไหมคำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งแต่คําว่านโิโรธคือมันดับพุพไปเลยเหมือนของสองสิ่งอ่าคุณวิทยามันี่ก่อนเป็นมาเป็นอุปกรณ์ให้หน่อยเอาเอาขวดน้ำนีม่มาอ่าสองขวดไม่ขวดหนึ่งหลวงพ่อสมมุติขวดนี้เป็นเทียนอ่าขวดเนี้ย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 ตัวแสงไฟเนี่ยมันก็มีสองลักษณะหนึ่งก็คือความร้อนสองก็คือแสงสว่างเราใช้แสงสว่างของมันนะให้ได้ประโยชนแ์และใช้ความร้อนของมันได้ประโยชน์ตรงนี้เป็นเรื่องของปัญญาแต่เมื่อใช้ประโยชน์เสร็จแล้วเราจะต้องเปิดไฟทิ้งเอาไว้ไหมสมมติคุณจุดเทียนไข ใ, ในห้องนะไม่มีไฟ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 สาทางใช่ไหมทางไหนบ้างกายยัตถวา a ใช้ทางกายวาจีทวานใช้คําพูดและมโนทวานใช้ทางจิตใจดังนั้นเองเราจะต้องสั่งสมตัวรู้เนี่ยให้พร้อมไว้เสมอสแสตนไว้เสมอด้วยการฝึกสติสัญญาให้เป็นชีวิตเลยหลวงพ่เขียนให้ใช่ว่าต้องทําให้เป็นอาชีพทําให้เป็น ธรรมดาหรืองานธรรมดามันต้องทําให้เป็นอาชีพของชีวิตเลยอาชีพนี้ฉันมีสองสองอาชีพอาชีพที่หนึ่งคืออาชีพสั่งสมสติสัมญาเพื่อป้องกันทุกข์ทางกายอาชีพที่สองคือสั่งสมปัญญาเพื่อป้องกันทุกทางใจที่นี่หมายความว่าเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ไปตลอดเมื่อเมื่อใดเราสิ้นท่าสิ้นขันสิ้นชีวิตเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกแล้วที่นี้จบละเพราะเราทําหน้าที่ที่ดีที่สุดหนึ่งป้องกัน ความทุกข์ให้เกิดทางกายน้อยที่สุดสองป้องกันให้ทุกข์เกิดทางใจโดยเด็ดขาดแต่ทุกข์ทางกายเนี่ยป้องกันมันโดยเด็ดขาดได้ไหมไม่ได้เพราะเนื่องจากกายนี้เป็นวิบากที่เราได้รับมาเราต้องโทษใช้เราต้องเสวยความสบายไม่สบายยุ่ตลอดเดี๋ยวเรื่องโน่นนูนีนน่ตลอดเวลาตั้งแต่ยี่ไปมากน้อยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแต่ทุกข์ทางจิต ท, ท่านบอกว่าดับได้เด็ดขาดเหมือนอย่างที่ว่า ดับได้ดิขาดดับแล้วดับเลยมันเอากลับพื้นมาไม่ได้แต่ถ้าเราจะเป็นต้องใช้อีกก็จุดขึ้นมาใหม่แต่วัตถุคือกายนี้คือย้ายไปย้ายมาเพราะฉะนั้นคําว่าตายในพุทธศาสนาเนี่ยท่านใช้คําว่าเคลื่อนคือจุติเพียงแต่มันเคลื่อนไปเท่านั้นเองเพอเหตุปัจจัยพร้อมมาแล้วมันกลับมารวมกันใหม่ก็เรียกว่าอุบัติใช่ไหมอพอหมดเหตุปัจจัยมันก็แยกกันกับเคลื่อนไปอีกที่หนึ่ง การเคลืてて like ่อนไปสู่นี้ก็จะว่าพบชาติแล้วแต่มันจะเคลื่อนไปอยู่ไหนบางครั้งเคลื่อนไปเป็นเทวดาบางครั้งเคลื่อนไปเป็นพรมบางครั้งเคลื่อนไปเป็นสัตว์บางครั้งเคลื่อนไปเป็นเปรตบางครั้งเคลืนไปเป็นนรกบางครั้งเคลื่อนไปเป็นเดรัจฉานแล้วแต่มันจะเคลื่อนไปการเคลื่อนไปอยู่ต่างๆนี่เรียกว่าคือการเวียนว่ายใจเกิดเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะเคลื่อนเอาเทียนเล่มนั้นมาเผาให้หมดซะใช่ไหมจบกันไม่ต้องกลับมาเคลื่อนอีกหมดการเคลื่อนเลยนะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมาเบินตัว เชื้อของมันคือราค่าโทสะโมหะเนี่ยมันเชื้อไฟเนี่ยให้มันหมดให้หมดเลยไม่ให้เหลือเชือ้อที่ใช้ก็ว่านิโรธดับโลยไม่เหลือนะเท่านั้นเองในการเจริญสติถ้าหากเรามีองค์ความรู้ที่เข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะสนุกแต่บริหารความรู้สึกในตัวเราแค่สามความรู้สึกเท่านั้นเองใช่ไหมต่เรื่องยุง่งอะไรทั้งหมดนี้ที่เป็นบัญญัติปริยัติทั้งหมดเนี่ยบริหารมันด้วยการปรับให้มันพอดีเพื่อให้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 หกทางตลอดเวลาจางตาหูจมูกลิ้นกายมันรับเข้ามาเราก็ควบคุมให้มันอยู่ในนั้นพอดีนะฮะดังนั้นกฎของความพอดีระหว่างรูปกับนามกายกับใจเกิดกับดับนี่เองมันก่อให้เกิดญาณปัญญาเช่นอะไรที่ได้กล่าวไปบ่อยๆว่าอย่างนักไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะต้องดูควบโบวกควบลบเนี่ยให้มันความถี่มันเท่ากัน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 แทนที่จะตกไปเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ตกเป็นเศษเกิดตัวยานปัญญาเกิดขึ้นในใจนั้นยานปัญญาเกิดขึ้นทุกครั้งโดยอาศัยทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าคุณพ่อเป็นทางทำ ท, ที่ให้เกิดปัญญานั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็โฟกัสเข้ามาในความรู้สึกในตัวของเราซึ่งปรากฏตลอดเวลามีแค่สความรู้สึกแต่เมื่อเกิดความรู้สึกทางใจเมื่อไหร่ที่เป็นฝ่ายออกุศลฝ่ายนิวรณให้รู้ว่าเราบริหารทางกายเป็นไงไม่ดี เราจะไปโทษใครไหมโทษว่าเราสติสัมยาจเรายังอ่อนไปแล้วก็ขยับให้มันถี่ขึ้นถีขึ้นถีขนถ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสติสัมยาที่ต้องเป็นสมมาสติคือต้องไม่เพ่งไม่อยากไม่ยึดไม่เอาทําตามหน้าที่เฉยๆทาให้รู้สึกตัวเฉยๆทาได้ตลอดเวล า, าวตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับอถ้าคนไหนขยันทำไอ้ภพชาติคนนั้นก็จะน้อยลงน้อยลงท่านบอกว่าถ้าทําอย่างนี้ถ้าถ้าหากว่า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 แต่ถ้าคุณเผอสิครั้งคุณดับมันครั้งเดียวไปไงไอเศษอีกเก้าครั้งมันไปเกิดที่ไหนเกิดในจิตของคุณอ่ะมันเผลอเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นไม่มีเศษเหลือดับนี่คือคือเทียบ ว, ว่านิโรธแต่ว่าส่วนใหญ่มันเผยห้าครั้งรู้หนึ่งครั้งก็อออยังดีสองครั้งเผยสี่ครั้งรู้สักสามครั้งก็เหลือเศษน้อยหน่อยใช่ไหม ความหมุดหงิดลำคานที่มันเคยเข้มเคยข้นเคยหนักเนี่ยมันก็จะเหลือนิดๆก็ง่ายที่จะการบริหารจัดการมันดังนั้นเมื่อเรารู้องค์ความรู้ที่ชัดเจนแล้วอย่างเนี้ยเราก็จะไม่สงสัยละแต่จะมุ่งทําเจริญสติสัมยะคุณไปสํานักไหนคุณก็ไปเจริญสติสัมยาเท่านั้นนหะลักการคุณเข้าใจละไม่ลังเลไม่ว่าอาจารย์ไหนจะสอนหลักการเดียวกันแต่ใช้บัญญัติใช้สมมุติใช้คำพูดต่างกันเท่านั้นเองนะ แต่ว่าในแง่ของปรมัตถ์มันก็สิ่งเดียวกันถ้าท่านสอนถูกนะมันก็จะมาตรงกันอาจาจะใช้คาพูดใช้คำนวนใช้ภาษาแตกต่างไปแต่ในแง่สภาวะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันก็เราก็อย่าไปสับสนเราจะไปแต่ในสํานักไหนที่รู้สึกว่ามันมันผิดแปลกแตกต่างที่มันไม่สามารถที่มาส่งข้อเข้าหลักลูปนามกายใจได้ชัดเจนก็ถือว่าฉั้นเราก็อย่าไปเสียเวลาเรียนแล้วก็กลับมาบริหารหลักการอันนี้นะนั่นเอง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 ไปรู้เรื่องการเกิดดับปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ขยายเนี่ยตัวมาเป็นอนิจจังไม่ขยายตัวาเป็นสุขเวทนาไม่ขยายตัวมาเป็นโศมนัสเวทนาไม่ขยายมาตัวเป็นอภิชาไม่ขยายตัวมาเป็นนันทิไม่ขยายตัวเป็นราคะเป็นตัณหาเป็นโลภะเป็นอะไรไปเรื่อยๆไม่ขยายตัวไปมันก็จบอในทีงนั้นแต่ว่าเนื่องจากสติสัมยาเราไม่สมบูรณ์ใช่ไหมไม่สามารถควบคุมให้เห็นการเกิดดับได้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 เสร็จแล้วเมื่อรู้จนชํานาญในเงี้ยเขาก็รู้จิตเข้าออกรู้จิตคิดไม่ใช่เชินชนานาญรู้อย่างนั้นต่อไปวันใดวันหนึ่งมันพุ่งไปเห็นอารมณ์พลิกพลิกปั๊บลักษณะของการเปลี่ยนตรงนี้ท่านใช้ว่าจิตเปลี่ยนนะจิตเปลี่ยนในภาษาหนอเขาเรียกว่าญาณสิบหกนะแต่ละจุดเนี่ยให้เปลี่ยนถึงสี่ครั้งดูรูปนามแล้วให้จิตถึงเปลี่ยนถึงสครั้ง ดูเวทน า, าให้จิตเปลี่ยนสครั้งดูจิตก็ให้จิตถึงเปลี่ยนสครั้งดูอารมณ์ให้จิตเปลี่ยนสครั้งก็ <c oughs> เป็นยาสิบกใช่ไมสี่สี่สิบอันนั้นเป็นเรื่องของปริยัติที่หลวงพ่อก็ผ่านมาแต่ว่าบางทีมันทาให้คนปฏิบัติงงเพราะปริยัติมันเยอะเกินไปใช่ไหมสับสนก็ทําให้เราเสงสัยอยู่ไม่หยุดอะไรเป็นอะไรจะรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ไหมมันก็เลยไม่รวมลงในเรื่องโฟงกัสในปัจจุบันมันมัวไปสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมาหลักการหลวงพ่อเทนคูนเอาแค่นี้นะ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 แต่ฉินใน้โพลยรอันนี้ควรู้สึกทางกายนะพอรู้สึกนี้ปั๊บแต่ชินว่าอันนี้ควารู้สึกทางจิตนะจะเห็นสองอย่างบางครั้งมันบางครั้งยังโกรธอยู่มันยังชอบอยู่ไม่ชอบอยู่ก็รู้ว่าเป็นอาการของจิตนะไม่ใช่อาการของเราที่เป็นอาการของจิตเป็นอาการของกายเมื่อรู้ว่าอาการของจิตของลูกของนามของกายของใจความสําคัญว่าเรามันลดลงไหมลดลงสักยทิฏฐิเริ่มอ่อนกํำลังสังโยคตัวที่หนึ่งจัดการได้แล้วใช่ไหม แต่ต้องเห็นให้ชัดว่าจนกระทั่งเห็นว่าอันนี้คือความรู้สึกนะมันไม่ใช่เราถ้าใครมาทักเราเมื่อก่อนเราก็รู้สึกกวีกับว่าตอบสนองได้ชัดแต่เดี๋ยวนี้ทักเราก็อืตอบสนองแบบสบายเพราะมันจิตเราอย่งเกาะอยู่ความรู้สึกไม่ได้ไปให้ความสําคัญว่าคนทักอะไรเพื่ออะไรมากมายเพราะไม่เห็นความรู้สึกชัดอยู่ดังนั้นความเป็นจริงของความรู้สึกเราจะต้องทบทวนอยู่เสมอตลอดเวลาท่านเรียก ว, ว่าอาริยมร ทางที่ไกลจากข้าศึกถ้าอัจจิของคุณเดินอยู่ในกายในในรูปในนามเนี่ยเราจะปลอดภัยแต่ถ้าเดินออกจากทางนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทางอะไรมรรคแล้วเป็นทางมารคือทางอาดีตอนาคตพอเราจิตขอาเราออกจากนอกกายไปอดีตอนาคตพอบความคิดเกิดเลยใช่ไหมถ้าความคิดถ้าไม่มีอดีตอนาคตเนี่ยมันมันคิดไม่ได้ก็กลับมาอยู่ปัจจุบันเป็นทางอะไรมรรค ดังนั้นเมื่อเข้าใจลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะทําด้วยความไม่สงสัยละเราจะมุ่งมั่นต่อาการยกการเหยียบการเคลืนการย้ายเลยต่างๆความรู้สึกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงแะไต่างๆแล้วก็เข้าไปดูดูแบบสบายๆดูเพื่อการศึกษาแต่ถ้าหากเราไปดูเพื่อจะเอาเพื่อจะเป็นเพื่อจะมีสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่เรียกว่าไตรสิกขาแต่เราดูเพื่อการศึกษาเพื่อให้ให้มันผ่าน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 เพะนั้นต้องทบทวนนี้ไปเรื่อยๆตอนเย็นอาจจะมี powerpoint ทวนความช่วงจำอีกทีหนึ่งว่ามันมันกินไปถึงไหนนะถ้ามีคนทําให้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวที่หลวงพ่อ ก, กลับมาตอนเช้าในเรื่องของที่มาของการไตรลักษณ์กับไตรสิขาเนี่ยพอจะเห็นภาพหรือยังเห็นภาพนะ ม, มีอะไรน่าสงสัยบ้างหามเดี๋ยวเวลาห้านาทีมีนะทั้งหมดอ่ะตรงไหนบ้างที่ไม่ชัดเจน ชัดเจนนะชัดเจนโอเคนะตั้งนั้นก็ขอสืบว่าในต้นเราเข้าต่อเราจำเป็นต้องบอกความจริง